คือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สี่รู้สึกอารมณ์ใดก็จำอารมณ์นั้นได้หมายถึงมีเวทนาก็มีสัญญาห้าจำอารมณ์ใดได้ก็ตรึกถึงอารมณ์นั้นคือมีสัญญาก็มีวิตกหกตรึกอารมณ์ใดก็เนื่อนช้าอยู่กับอารมณ์นั้น 7.